การมีน้ำใจรินให้คนอื่นก็คือการเพิ่มน้ำเลี้ยงให้จิตตนชุ่มชื่นเองสิ่งได้มาจากการให้ไปคือใจที่อิ่มเดี๋ยวนี้และพบใหม่ที่เข้ากันกับความอิ่มใจในภายหน้าที่คนเรากำลังเป็นเจ้าของบอ น, น้ำมันมาฮือมาก็เพราะเคยเป็นเจ้าของบอล น, น้ำใจมหาศาลมาก่อนถ้าพบว่าการฝึกให้ทานเป็นเรื่องยาก ก็อย่าคิดว่าจะเอาของไปให้เขาแต่ให้คิดว่าเราจะไปเอาความสุขความสบายใจและบุญใหญ่มาจากเขาแทนให้เปล่าคือได้เปล่ามือที่ยื่อนออกไปให้ทานเป็นมือที่มีความสว่างรู้สึกได้ด้วยใจที่คิดให้อย่างอ่อนโยนขอให้จำไว้ว่าการทำบุญไม่ใช่การเอาเงินมากๆไปแจกคนอื่น แต่เป็นการเอาส่วนเกินน้อยๆไปละลายความตรณีในตนเองทำบุญมากไปก็เหมือนสุรุ่ยสุร่ายไม่ระวังย่อมเงินขาดมือเป็นทุกข์ทางใจทำบุญพอดีฐานะจะทำลายความตรณีให้ผลเป็นสุขทางใจโล่งเบาถามตอนเด็กให้ทานด้วยเงินน้อย แต่เป็นความรู้สึกเดียวกันกับตอนโตซึ่งให้ด้วยจำนวนเงินที่มากขึ้นบุญจะส่งผลเท่ากันหรือไม่ตอบคิดง่ายๆเช่นนี้ครับเคยมีนางทาสีคือทาตหญิงถวายข้าวให้พระพุทธเจ้าแก่ฝ่ามือเดียวแต่เป็นข้าวก้อนเดียวที่ตนได้ปันมาจากส่วนรวมกำลังใจที่ถวายนั้นจึงมหาศาลผลคือ ชาติต่อมาได้เป็นลูกสาวมหาเศรษฐีไม่รู้จบนั่นก็แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติของบุญนั้นมีตัวแปร ى, คือน้ำใจเป็นหลักครับการมีน้ำใจรื่นให้คนอื่นก็คือการเพิ่มน้ำเลี้ยงให้จิตตนชุ่มชื่นเองน้ำใจและความคิดเผื่อแผ่ จะพาคุณไปเห็นธรรมชาติภายนอกและภายในที่ชุ่มชื้นและกลมกลืน